การทำกันตามการําเวลากาลีนาธรรมสนังการปั่งทำตามการเป็นมงคลนองสูงสุดวาลีนาธรรมจชาคาชาการสนทนาทำตามการเป็นมงคลนองสูงสุดวันตีเจโสวจัดชะา ควออามอดทนเป็นธรรมเครื่องเผาจุดจากยิ่ ง, งหลายอย่างที่เป็นเครื่องมือช่วยเราเราไม่ต้องจนการทำความเห็นได้ถูกต้องการอยู่ในประเทศทถนสมควรปฏิรธปปฏิเสธวาโสจ้ปาปุเปยกะตะปุญญาตอัตตะสมมาปนิธิจเอตมังกาลมมุตมง วติลูประเทศสาวาโสจะอยู่ในประเทศอันสมควรไม่ใช่อยู่ประเทศไหนอยู่ที่ใดมีการศึกษามีใครบอกการสอนมีกัลยาณมิตรคอยขี้ดในการกระทำมันเป็นความดีมีสติมีสม บ, ญญต บ, บัติัยญะปฏิเตระจะเสวนาการครบบัณฑิตบัณดิตคือผู้ที่ อกสอนให้ตั้งในความดีมีสองอย่างบันติตภายนอกภายนอกคือคนอื่นมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมิตรภายในคือจิตใจเรากย่าคบกบความหลงพบกับบันติตบันติตคือสติสัมชัญญากลด่นานอธิเวนาจะพาราดังการไม่พบกลดผ่าน คนพานก็คือความหลงความล็กความังความทุกข์ความโกรธความวิตกควงมวุ่นเศร้าหมองมันเป็นพานจคบเมามันหลงค บ, บัณฑิตรู้สึกตัวขึ้นมาเมตตนจะเส้วนะวัณฑิตก็มาอยู่ในเราเวลามันหลงรู้สึกตัวเปี่ยนคนพานมาคบกั บ, บัณฑิตมันทุกข์มันโกรธมันวิตกค ว, วงวุนเศร้าหมอง มันมีอยาคบเราเปลี่ยนได้เราเลือกได้ย่าจนบูชาจะปูชนียานั่งเอตัมมังการมุตตะมังการบูชา่อผูกคนคนโูชาอย่าลืมคุณบุญคุณพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ทุกคนมีพ่อมีแม่เอาพ่อเอาแม่มาไว้ในหัวใจของเราอยู่เบื้องหน้าตลอดเวลา มีบุญมีคุณจริงๆพ่อคนแม่เหมือนพระฝลังอังกฤษเขาพูดเรื่องนี่ศักดิ์สิทธิ์น่าฟังมากคุณพ่อคนแม่อย่าลืมอย่าเอาพ่อเอาแม่ไปทําชั่วคิดชั่วพราแม่คือกายคือใจของเราได้มาจากพ่อแม่ขอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็เอากายเอาใจทาความดี พ่อแม่มีให้ลูกเกิดขึ้นมาเพื่อให้ลูกเป็นคนดีถ้าเราทำความดีเอากายเอาใจทำความดีก็ เ, เรียกว่าต่อปุลเถรคุณสมปัตตนาของพ่อของแม่ถ้าเราเอากายเอาใจไปทำชั่วก็เรียกว่าเนรคุณเป็นบาปทำชั่วเราทาชั่วเราเป็นทุกข์พ่อแม่ก็เดือดร้อนไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ บราณท่านว่าท่านกินบะขังปมไปข้าข้อมั ง, มงโมขี่สามหมื่ไปตายตายก็ตา้ตายแล้วเห็นตุ่มเนน้ำน้ำหมายเขาว่าอย่างไรท่านมันเป็นสัตว์ประเภทหนะึ่งไปจินมะขาม ป, ป้อมเข้าเอ็นไปตีคอมัง่งคือกวางกวางกับฟานคนละผ่านกัน ตัวหนึ่งเป็นตัวจิตแต่ไปติดอีกตัวหนึ่งตัวที่ไม่ได้จิตถ้ามั่งไม่ถ่านก็ตายตายเลยแทนที่มั่งจะตายแต่ก็ตายตายเพราะอะไรเป็นคําบังเพยของคนโบราณหมายถึงลูกไปทําชั่วคนที่เป็นความทุกข์คือพ่อแม่คาอยู่ที่คอค้าอยู่คอห่อห่อแม่ ลูกของกูเป็นอ่างนั้นลูกของกูเป็นเนื้อไม่มีลูกก็ไม่ทุกเท่าไหร่มีลูกแต่ลูกตายจากก็มีโอกาสหลงลืมบ้างถ้ามีลูกลูกเป็นคนชั่วเป็นทุกข์ที่สุดในโลกของแม่ของพ่อเพราะเราจึงอย่าเอาพ่อแม่ไปทำชั่วมีหมู่นีย่ยทำไม่มีโอกาสปัจจุกทําได้ห ล, หลายอย่าง มีน้งใจมีศรัทธาเมตตากรุณามีความอดทนมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีความอดท น, ท น, ดทนร้อยอย่างเป็นเครื่องมือที่เสับสนุนให้เราทำความดีได้ไม่ลำบากเอาอย่างผู้อื่นคนอื่นเยอะแยะเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างเหล่าพระสาวก มีเยอะๆเลยเอาอย่างเพื่อนบ้างบางทีพระพุทธเจ้ายังบอกพระสงเอาอย่างไก่ป่าเอาอย่างเค้งพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าเห็นไก่ป่าไม่ใช่ไก่โจ๊กที่เราเลี้ยงถ้ามีอีกฝูงหนึ่งอยู่ในป่าฝูงนี้ไม่ใช่ไก่ป่าเป็นไก่กลายๆโกนโปนกัน เวลาไก่ป่าที่เป็นไก่ป่าจริงๆเป็นไก่จ่าเวลามันเดินหนาจินมันไม่เดินตามทางที่ลงโลกมันเหยียบโน่นเหยียบนี้มองไปก่อนเหยียบไปโน่นไปนี้ไก่พวกไก่ป่าจะไม่ถูกบ่วงในพรานและไก่โจ๊กนี่ถูกบ่วงในพรานจะไปไหนวิ่งช่วยดย่อยด้ว ย, ย่วยดย้วยพระเจ้าก็บอกวิกษุทั้งหลายเอาอย่างไก่ป่า สัรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดให้มีสติสมัชัญญะไก่จา่าไก่ป่าไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธไม่ผลผันันแผ่นแนเวลาควงเอาอยางควงป่าเวลาควงไายกินมันก็ดูหน้าดูหลัง ม อ, ดด 3, 4, 5, มองไปข้าหน้าเดินไปสามสีก็มองเินข้างหลังดังที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังได้ยินไหยจำได้ป๋เรื่องอะไรเรื่องกวางป่าเฮก็หมายชิดได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบให้พระสงฆ์เอาอยี่ยงกวางตาสอนให้ว่าสงฆ์เอาอย่างกวางอย่างไก่มันมีจริงๆไม่วูว่วาไม่ลุกดี้ลุกตลน เขาจึงมีชีวิตลอดมาถ้าตัวไหนไม่สํารวังตูกตายพานดักหรือฆ่าตายเหมือนสัตว์ในป่าเราเนี่ยงูที่สุดคือไก่พยาลอ์ตายหมดเลยเยวลนนอนอยู่ที่ไหนเนี่ยพูดกันนอนแน้นอนแน้นอ น, น, นอนเน้นนอนเน้นฟังอยู่สซลาไก่นอนอยู่หัวใจก็ได้ยินยังเขาพูดกันนอนน้ไม่ไม่นิ่งเลยโอกตาย่นานก็มา จบลาไก่พยารอมันนอนพอได้ยินเสียงแ ล, แล้วก็ค่อยๆโยอ่้าไปค่ำเ ม, มื่อก็เห็นแล้วพอมันนอนหลับบุ๊ปืนปืนก็ปืนแบบไม่ค่อยดังเท่าไหร่สิบตัวก็ยิงได้ทั้งสิบตัวยิงลงไปตกลงมาเยอะตัวนีกยิงอีกตกลงมาสิบตัวเลยหายไป ไปก็อย่ารอโอ้ยน่าจะเอาตัวเป็นมาจะให้ตัวละห้าสิบบาทนี่ยิงตายกันหมดเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเจ้าตัวเลยสัตว์ประเภทไหนที่มันไม่มีการสำรวมระหว่งังมันก็หมดไปแล้ววง ก, ก็หมดไปแล้วเหลือแต่หมูหมูยังพอเอาตัวรอดได้พวกไก่ยพยายลอพวกอะไรเชียงนี่ยก็ไม่เหลือรลบเชีงเพราะมันนี่บางอย่างชีวิตเราเน่ะ ต้องหลายหายอย่างโดยเฉพาะที่เราฝึกกรรมฐานเนี่ยม่เป็นเครื่องมืออย่างดีก่อนพูดก่อนทำมีสติสมัญญะสติที่ควมรู้จึกรู้ดักได้ไม่เป็นกลัวทำตัวไปไหนอันนี้แหละทำให้ศีลเรามีขึ้นมีสติมีสติก็รักษาศีลแล้วความชั่วทำความดีมีสติก่อนพูดก่อนทําหอนคิดจิตก็ไม่เปิดเพื่อนถ้าเพ้เ ก, เกิดปัญญาแต ตัที่สุดจิงไม่ยากไม่ต้องไปจบจากที่ใดมันมีอยู่ในเราแล้วใช้เลยไม่ถึงกับยากมันหลงรู้สึกตัวควงหลงก็ไม่ยากมันก็เป็นไป เ, เหมือนแสงสว่างจุดขึ้นควง ม, มืดก็หมดเลยมันทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทำความดีอย่าโทษเธอทําำรบกัมีคนทำความดีมากกว่า โดยเฉาะหลักของสองพุทธศาสนามีวัดปฏิบัติมันทับปันไปกันได้ไม่ต้องหลงไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโกรธตลอชาติถ้าเราไม่ฝึกหัดก็ยังหลงยังทุกข์ยังโกรธอยู่เป็นทุกข์ประวทุกข์กกความหลงเราเกิดความหลงเลยปะความโกรธก็มีความโกรธเลยปะถ้าเราปฏิบัติหลงลู้มันทุกข์รู้มันโกรธูก อย่าไปนต่อสิ่งเหล่านี้มันมีทางอยู่ฝึกผลฝึกตนสอนตนเตือนตนมันจะฝึกได้ทุกยิวิตไม่มีใครยกเว้นเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเราจึงฝึกตนสอนตนแนนอนชีวิตของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่าให้ความไม่เที่ยงอย่าให้ความเป็นทุกข์อย่าให้ความไม่เที่ตนพให้เรางูหลงม า, มา ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเมืออ่อลรเราเคยเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เกิดขึ้นเราเมื่ อ, อไรเราก็เป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์ถ้าเราผูกขาดมันจะเป็นปัญญาตรงนี้ด้วยความหลงถ้าไม่เกิดปัญญางั้นจะมีความไม่หลงเพราะมันหลบมันจะมีความไม่ทุกข์เพราะมันทุกข์เปลี่ยนลงดูเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยนลายเป็นดีภาวนาคือขยันทําดี พ่อแม่ของความดีปู่ย่าความดีคือสติจอมชันยะเป็นต้นเหตุเป็นเหตุทาให้เกิดความดีไม่ใช่ไปขอร้องซื่อหาเป็นการกระทําเราเองเรียกว่ากรรมฐานศักดิ์สิทธิ์ทำได้ไม่มีด้อยวผมน้อยกูกันได้ทุกคนทำได้ไม่ว่าเป็นคนเท่าคนเจอคนหนุ่มคนสาวชาติใดภาษาใดราศีใดเพศใดไว้ยใดทําได้ทุกคนปอมหลวง ก, ก่อนเดียว ความทุกข์คนเดียวความโกรธคนเดียวไม่มีใครต่างกันคนไหนหลงเราเคยหลงก็เหมือนกับเขาคนไหนทุกข์เราเคยทุกข์ก็เหมือนกับคนนั้นคนไหนโกรธเราก็เคยโกรธเหมือนกันแป็นปัญญิ่งใหญ่ขนาดไหนความหลงความทุกข์ความโกรธไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้เลยมันใหญ่ขนาดไหนเราไม่ต้องเรียกร้องใครมามือที่หนึ่งที่สองมาช่วยเราเราเองเริ่มมนหลงรู้สึกตัวขึ้นมา เวลามาทุกรู้จึกตัวกันว่าเวลามันโกรธรู้จึกตัวกันว่าทําอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนไนดะ้มันหลงลูกมันหลงลูกมันหัดตนนัวแม่วมหลงแท้ๆทําไปเกิดความโลภมันจะเห็นความรู้ความหลงระหว่างความหลงความรู้สึกตัวสัมผัสไปสัมผัสไปต่อไปเอากายเอาใจไปต่ออู้ต่อมันก็จะติดความรู้จึกตัวได้ ความโคมหลงไม่จริงควมรู้สึกตัวเหมือนจริงความทุกข์จริงควมรู้สึกตัวเด่จริงความโกรธจริงควมรู้สึกตัวมันจริงมันจะเป็นมรดกเป็นอริยทรัพย์ของเราไม่ต้องจนเราเนี่ยเพราะชีวิตเราไม่มีวันนี้วันเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะเกณฑ์ได้เราอยู่กับสิ่งต่างๆมากมายคนอื่นเจือเหนือวัตถุอื่น เราจะไปห้ามให้คนทํากับเราอย่างนั้นนี่ไม่ได้แล้วมาศึกษาตัวเราไปจบซะเมื่อมาจบามาจบันรู้อย่างนี้แล้วลุยได้เลยโลกน่ะไม่มีอะไรที่จะใหญ่กว่าเราไม่มีอะไรที่ช่วยเราได้นอกจากเราเองเปิดผลตันเองไะแน่นอนชีวิตของเราคือต้องเกิดเจ็บเจ็บตาจะป่วยมันตายไปเฉยเฉยจะป่วยมันเจ็บไปเฉ ย, จ ะ, ย, เ ย, เยจะปล่อยมันตาย เขเจ้ามาเห็นแล้วนี่ต้องเหนือการเกิดเจติตาวิธีเหนือการเกิดเจติตาเขาฝึกเนีกายาณวัชนาเห็นกายกายสภาวะกายไม่ใช่จัดตุคคลตัวตนเราเขาให้เห็นเป็นอ น, นานจะเฉลยตัวนี้ได้ถ้ายังไม่เคยฝึกตัวนี้อะไรก็เป็นกูเป็นตนอยู่ในกายมากมายในตนอยู่ในกายในกูเกิดกับกายเป็นภพเป็นชาติต่างๆ เป็นเปตเป็นสุลกายเป็นสัตว์รบหรือฉาดเวทนาที่มันเป็นสุทุก์มันก็เปลี่ยนภพภูมิต่างๆมันก็ไม่ยึดจับุคลณโตตน์เราขอเมื่อเราดูไปดูไปโอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้นาะเวทนาจากว่าเวทนาไม่ยึดจับุคุณโตตนเราขอยีที่มันคิดไปโน่นไป น, นี่นี่ถ้าก็เราคิดถึงใดก็ต้อมื่อเราทั้งนั้น คิดทุกข์ก็ทุกข์คิดสุขก็สุขคิดพอใจก็อใจไม่พอใจก็ไม่พอใจทำตามความคิดเรามันโกรธก็โอ้ไปตามความคิดให้ความคิดหาหลอกามคิดนั่นบางทีไม่ได้ตั้งใจคิดมันเกิดขึ้นมาเองบางทีมันก็มีอํานาจถ้าเรามาเห็นดูไปเรดอไปแล้วมันคิดขึ้นมาเราก็รู้จึกตัวจ้ะพรมคิดขึ้นมารู้จึกตัว อ๋อรู้ถึงตัวในขนาที่มันคิดไปโอ๊ยคิดก็สมัยคิดไม่ใช่ชดบุคคลตัวตนเราขอค่อยๆลื่อนตอนเลื่อนตอนออกไปมม่หลงตรงนี้เมื่อไม่หลงตงัวนี้ก็ไปง่ายเป็นทางไปเกิดวิปัสสนาลู่แจ้งไปอย่างนี้จริงเหล่านี้ต้องช่วยตัวเองให้มากๆไม่มีใครช่วยเราได้ปฏิบัติเองลูกเองเห็นเดงเป็นปัจจตัง ก็จัดตั้งไปคิตาปอย่หิติเวลานี้ก็ช่วยกันมีพระบวชใหม่ก็ช่วยกันเป็นเพื่อนเป็นมตการกันญยาณมตการหลังพ่อใจก็จูนเฮานี่สาหรับหลวงตานี่ก็ที่งานมาค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ยังขอมีส่วนร่วมเล็กๆตัวน้อยก็